พระไตรปิฎกฉบับประชาชนย่อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ชื่อมหาวัตรเป็นวินัยปิฎกคําว่ามหาวัตรแปลว่าวัตรใหญ่บรรจุข้อความมากถึงสองเล่มพระไตรปิฎกคือเล่มสี่และเล่มห้าเฉพาะในเล่มสี่นี้แบ่งเป็นหมวดหรือตอนที่สําคัญซึ่งเรียกว่าคันทกะรวมสีคันธกะ หรือสี่ตอนคือหนึ่งมหาคันธกะหมวดใหญ่หรือตอนใหญ่ว่าด้วยเหตุการ์ตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงแสดงปฐ ม, มเทศนาแสดงอันตรลักษณะสูตรแสดงธรรมโปรดยสะกุลบุตรพร้อมทั้งครอบครัวและมิตรสหายแสดงธรรมโปรดพัทวัคคิยกุมารส0สิบคนแสดงอาทิตยะยปริยายาสูตร โปรดฉดินพันรูปแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระสารีบุตรพระโมคคลานะออกบวชอุปัญชัยวัตรคือข้อปฏิบัติต่อท่านผู้บวชให้สัตว์ที่วิหาริกวัตรคือข้อปฏิบัติต่อสิทธทิตนบวชให้การประนามหรือขับไล่การขอขมาการบวช ด, ด้วยยติจตุตถกกรรมการบอกนิสัยสี อาจารยวัดคือข้อปฏิบัติต่ออาจารย์อันเตวาสิกกวัรข้อปฏิบัติต่อพิกสุที่เป็นสิทธิผู้อยู่ในปกครองนิสัยระ ง, งับผู้ควรให้บวชการอบรมผู้เคยเป็นเดียร์ถีก่อนให้บวชพันธุกรรมการขาดคุณสมบัติในการบวชการบวชสามเณรสิกขาบทและการลงโทษสามเณรผู้ที่ห้ามบวชวิธีการในการอุปสมบท และเรื่องของภิกษุที่ถูกสงลงโทษเพราะไม่เห็นความผิดหรืออาบัติสองอุโบสถคันทกะหมวดหรือตอนว่าด้วยอุโบสถกล่าวถึงการฟังธรรมการสวดปฏิโมกในวันอุโบสถการสมมุติสีมาการสมมุติรงทําอุโบสถปัญหาเรื่องสีมาการสวดปฏิโมกย่อ การอนุญาตให้เรียนปักขัดคณน า, นาส่วนประกอบอื่นๆในการปฏิบัติก่อนสวดปฏิโมกการนับวันอุโบสถและบุคคลที่ไม่อนุญาตให้ทําอุโบสถ 3. วัตสูปนานิกาขันตกะหมวดหรือตอนว่าด้วยวันเข้าพรรษาการจำพรรษาวันเข้าพรรษาสองอย่างการเลื่อนวันเข้าพรรษาให้เร็วเข้า การเดินทางกลับภายในเช็ดวันอันตรายของภิกษุผู้จำพรรษาการจำพรรษาในที่ต่างๆและอาบัติทุกกฎเพราะรับคำแล้วไม่ทำตามถ้อยคำเกี่ยวกับการจำพรรษา 4. ปรปวารณาขันธกะหมวดหรือตอนว่าด้วยการปรวารณาคือการอนุญาตให้ภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ ว่าด้วยรายละเอียดต่างๆที่พึงทราบและพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการปวารณานี้เป็นใจความย่อแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่สี่มหาวัฏวินัยปิฎก